ได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อาชะอาชะกะลาปะเจดีอันเป็นที่อยู่ของอาชะกะลาปะากะลาป ะ, ะยักใกล้เมืองปาวาก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งณนะที่แจ้งในความมืดตื้นในราตรีและฝนก็กำลังโปรยละอองอยู่คืนมืดมิดฝนกำลังโปรยเนี่ยนะพระองค์ก็อยู่กลางแจ้ง คั้งนั้นแลอชะกะลาปะกะยักษ์ใครจะทําความกลัวความหวาดเสียวขนลุกชูชันให้เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าแปลว่าจะหลอกพระพุทธเจ้าให้กลัวงั้นก็เลยเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ทําเสียงอกุละปกุละว่าอากุโลปกุโลขึ้นสามครั้งนะเราก็ฟังแล้วไม่เห็นหน้ากลัวเลยในชะ่ไหมแต่ถ้าฟังเสียงจริงอาจจะหนีก็เจ็ดเจ็ดเปื้งหมดแล้นะ เสียงดังสนั่นไปหมดในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกล่าวว่าดูก่อนสมณะนั่นปีศาจปรากฏแก่ท่านยังมาบอกด้วยนะว่าผีหลอกท่านแล้วนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบเนื้อความนั้นแล้วก็แปลงอุทานขึ้นในเวลานั้นว่าในการใดบุคคลผู้ถึงฝั่งในธรรมทั้งหลายของตนเป็นพรามในการนั้นย่อมไม่กลัวเสียงปีศาจและเสียงว่าปากุละดังนี้ โอ้ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วจะไปกลัวระไยเนี่ยนะแปลงง่ายๆว่าถ้าเป็นพระอระหันต์ทากิจในอริยสัจเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้เสียงไม่ได้กลัวเสียงพูดผีอะไรหรอกเนี่ยนะเพราะมหาพูดหลอกไม่ได้อีกต่อไปแล้วเนี่ยนะไม่ถูกมหาพูดหลอกอีกต่อไปพูดถึงประวัติของอาชากราประกาะยักษ์นิดหน่อยเนี่ยนะเพราะยักษ์นั้นชื่อว่าอาชากลาปะกะยักษ์ ยักษ์นั้นรับพลีกรรมด้วยโกฏิสาสะแห่งแพะกาลาปะตัวนั้นแปลว่ากลมใช่ไหมต้องเอาแพะเนี่ย ม, มัดเป็นกลุ่มๆอย่างอื่นไม่เอานะต้องเอาแพะมามัดเป็นกองกองแบบอะไรนะแบบมัดอะไรหลายๆมัดแพะหลายๆตัวรวมกันนะจึงจะเอายักษ์ตัวคนนั้นยักษ์นั้นเลยชื่อว่าอะชะกาลาปะกะยักษ์ปกติคําว่ายักษ์นี้หมายถึงเทวดาชั้นจาตุล ม, มหาราชนะเทวดาชั้นจาตุล ม, มหาราช ทเทวราชันจาตมเนี่ยนะมีมหาราชผู้ใหญ่อยู่สี่ท่าน น, นะมีอะไรบ้างเท้ากูเวย์นี น, นะเท้ากูเวยแล้วก็เท้าอะไรเนะท้า ว, วีรุณหกเนี่ยนะวิรุณหักโกต้ากูเวนวีรุณหัโกเนี่ยนะอะเท้าทัตตรัฐะแล้วท้าอะไรอีกองหนึ่งที่เป็นหัวหน้ายักษ์นะหัวหน้ายักษ์อะไรนะ เวสวร์นเนี่ยนะทาเวสวร์นเนี่ยเขาดูแลเรื่องยักษ์อยู่ั้นคําว่ายักษ์ก็คือเทวดากลุ่มหนึ่งนะนะที่แต่ว่าเป็นเทวดาประเภทคือประเภทนี้สงสัยอดีตชาติเนี่ยนะบุญก็ทําอ่ะนะบาปก็ไม่เลิอกอะ่ะแต่ว่าบุญให้ผลก็เลยไปเกิดเป็นยักษ์เหมนบางกลุ่มบางพวกขี้เมามากเล ย, ยนะนะขี้เมาเอ้ยชอบปานาติบาตชอบอะไรเป็นต้นนะแต่ก็คนที่ทําชั่วก็ไม่จะทำชั่วบริสุทธิ์ใช่ไหมบุญก็ทําอ่ะแต่ว่าบาปเลิกไม่ได้ เวลากรรมนั้นให้ผล่ะพอดีก่อนตายนึกถึงบุญให้ผลํำเกิดก็ใจก็ยินดีหมกมุ่นในในเรื่องการทำบาปก็เลยกลายไปเกิดเป็นพวกยักษ์แต่ชีวิตการเป็นอยู่เหมือนเทวดาทุกอย่างแต่ว่านิสัยหยาบก็ยักษ์นั้นสมบูรณ์ด้วยอนุภาพแต่ว่ากักกะกักกะก็คือเลวอันนั้นนะเป็นคนหยาบคายมาก แล้วก็สิงอยู่ที่นั้นเพราะฉะนั้นพวกมนุษย์จึงทำที่นั้นให้เป็นที่เคารพยำเกรงน้อมพลีกรรมเข้าไปตลอดการในคราวนั้นพระศาสดาเนี่ยประสงค์จะฝึกยักษ์ทรมานตัวนั้นมาจากคาว่าฝึกนะนะไม่ใช่ว่าไปเคี่ยนไปโบยไปตีอะไรหรอกคือต้องการจะฝึกยักษ์ให้อยู่ในสังวรวินันอยู่ในปะหานะวิในเพราะฉะนั้นตอนในเวลาเย็นพระองค์เนี่ย เสด็จไปแต่เพียงพระองค์เดียวไม่มีเพื่อนสองถือบาทและจีวรเสด็จไปยังประตูที่อยู่ของอาชะกะลาป ะ, ะยักษ์นะเชื่อว่ายักษ์ที่เอาแพ้ก็ต้องเอาเป็นมัดมัดนะเอาเป็นหมู่มู่ะจึงจะยอมเอาตัวเดียวไม่เอาจึงเข้าไปขอร้องนายประตูของยักษ์เพื่อจะเข้าไปยังที่อยู่นายประตูก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาชะกลาป ะ, ะยักษ์ผู้นี้หยาบช้า ไม่ทำความเคารพว่าเป็นสมณะหรือเป็นพรามเพราะฉะนั้นพระองค์จงทราบเอาเองเถิดไม่กล้าอนุญาตถ้าอนุญาตเดี๋ยวหัวขาดแน่เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ไม่บอกยักษ์ไม่บอกแกยักษ์ก่อนนั้นไม่สมควรก็เลยรีบไปยังที่อยู่ของอาชากราปกะยักษ์ผูไปสมาคมยักษ์ในขณะนั้นเองคือเขามียักษ์เนี่ยประชุมกันด้วยนะสมาคมยักษ์ พราษาสดาก็เสด็จเข้าไปภายในที่อยู่ประทับนั่งบนบรรยัตตาอาดในมณดกอันเป็นที่นั่งของอาชกลาป ะ, ะยักษ์พวกสนมของยักษ์เนี่ยนะคือยักษ์เขาก็มีบริวารมีอะไรเยอะแยะนางสนมทั้งหลายก็เข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคมพระาศาสดาก็แสดงธรรมให้กับพวกนางสนมเหล่านั้นฟังในสมัยนั้นสาตาคิริและก็เฮมวัาตายักษ์ยักษ์สองท่านเนี่ยนะยักษ์สองท่านนี้ก็เป็นทาริยะ เข้าสมาคมยักษ์เหมือนกันจะไปสมาคมยักษ์ก็เหาะไปทางนั้นพอดีเลยนงะก็เหาะไปทางเบื้องบนที่อยู่ของอาชะกะลาปะกะยักษ์เมื่อไปยังไม่ถึงก็รำพึงว่าจะต้องมีเหตุอะไรสักอย่างคือคือจะเหาะผ่านตรงนั้นเหาะไม่ได้อะเพราะเหาะไม่ได้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็ก็มองเห็นพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในที่อยู่ของอาชะ ก, ะ, ะ, ะ, กะลาปะกะยักษ์จึงไปในที่นั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า นะก็ไปกราบไหว้เสร็จแล้วก็ทูลอำลาว่าข้าพระองค์จะไปยังสมาคมของยักษ์เพราะนั้นฟังธรรมไม่มีเวลาแล้วนะติดประชุมเหมือ น, น <c oughs> ก็เลยทําประทักษิศีก็แล้วก็ไป <c oughs> เห็นอาชากลาปะกะยักษ์ในที่ประทุมยักษ์ไปถึงอ้าวอาอชากราประกะยักษ์กำลังมีความสุขมากเลยนะก็แสดงความยินดีว่าท่านอาชากลาปะกะข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นอัคราบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลก ประทับนั่งในที่อยู่ของท่านจัดว่าเป็นลาบคือท่านได้ดีแล้วเพราะฉะนั้นท่านจงเข้าไปเฝ้าเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ฟังธรรมเพราะว่าพระโสดาบันก็จะถือว่าบุคคลที่เลิ่ที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเหตุที่ทําให้บรรลุมรรคผลก็คือการฟังธรรมท่านรู้ว่าพระพุทธเจ้าไปสงเคราะห์ไปประทับอยู่ที่ที่อยู่ของอาชาตราประกายักษ์ก็เลยดีใจด้วยนะแสดงความยินดีอย่างเต็มที่เลยตรงกันข้ามานะ พูดถึงบุคคลที่น่าเลื่อมใสให้คนไม่เลื่อมใสฟังอะไรเกิดขึ้นอชากราประกายักษ์นั้นได้ฟังถ้อยคําของสาตาคิริยักษ์และเฮมวัตตยักษ์แล้วก็คิดว่าพวกเหล่านี้ได้บอกว่าสมณะโลนนั่งอยู่ในที่อยู่ของเราก็เลยถูกความโกรธครอบงำคิดว่าวันนี้เราจะทําสงครามกับสมณะ เ, นะเมื่อยักษ์เลิกประชุมก็ลุกจากที่นั้นไปยกเอาเท้าขวาเหยียบยอดภูเขาประมาณ60โิบยอยอดภูเขานั้นก็แตกออกเป็นสองส่วน นะก็คล้ายๆกับอล า, าวะกะสูตรในในเล่ม47นะเล่ม47เล่ม47เขาชื่อว่าอลาวะกะสูตรเนี่ย ก, ก็มีสูตรเนี่ยที่เป็นการต่อสู้กันระวังยักษ์น่นนะามาราติเรกับมาพิยุทธิตสัสสะ พ, พรารติงเนะี่ยนะก็เรื่องที่สองนะเรื่องแรกพระ อ, องค์นี่ชนะพยมานใช่ไหมที่สองก็ชนะอลาวะกะยักษ์ มารกับเสนามารเนี่ยนะแสดงรบกับพระพุทธเจ้าไม่นานแปบ๊บเดียวเองแต่ว่าอละวะาจยักษ์เนี่ยทั้งคืนนี่ก็เหมือนกันเนี่ยอาชากราปรกายักษ์นี่ก็รบกับพระพุทธเจ้าทั้งคืนเพราะฉะนั้นเรื่องราวก็เหมือนกับสมาคมของอละวะาจยักษ์นั่นแหละเว้นแต่การถามปัญหาการแก้ปัญหาแล้วก็การเสด็จออกไปยัง เ, เสด็จออกเสด็จเข้าสามครั้งคืออลรวะาจยักษ์เนี่ยนะ พอรบกับพระพุทธเจ้าทั้งคืนเลยนะตอนหลังก็โกรธมากเลยนะเกือบสว่างแล้วก็ทําอะไรไม่ได้สมณะออกไปพระพุทธเจ้าก็ออกจากออกสมณะเข้ามาก็เข้าออกไปก็ออกเข้ามาก็เข้าว่าง่าย3มครั้งครั้งที่4ก็บอกไม่เอาละมันจะทําอะไรก็ทําเถอะบอกว่าถามปัญหาก่อนถามปัญหาจบแล้วก็ฟังทำไง ก็อาวะายักษ์นี่แหละเจ้าของถึงสารณาคมที่บอกว่าข้าพระเจ้าจาักเที่ยวไปจากเมืองสู่เมืองเออจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองพลังนรัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและความปฏิบัติทีแห่งพระสงค์เนะนี่ยนะก้นเนียยักษ์คนนี้แหละสู้ทั้งคืนนี่มาดูพออชากราปรกายักษ์มาถึงเท่านั้นนะนะมาถึงพระพุทธเจ้าก็เลยคิดว่า เรานี้จะไล่สมณะนี้ด้วยฝนก็เลยทําฝนเก้าชนิดมีมนทนลมเป็นต้นให้ตั้งขึ้ น, น, นก็ไม่อาจแม้ทําเพียงให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเคลื่อนไหวด้วยฝนเหล่านั้นได้ก็ทําให้ฝนหอกฝนดาบฝนอาวุธฝนอะไรตกลงใส่พระพู้แเจ้าแต่สิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นฝนดอกไม้หมดก็ทําอะไรพระองค์ไม่ได้ก็เลยเนรมิตพูดผีเออพูดคือผีนีนะมีรูปร่างหน้าสะเพงกลัวอย่างยิ่งถือเครื่องประหารนาน า, น า, นานชนิด เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับพูดเหล่านั้นเที่ยวเหล่านั้นก็เที่ยวไปรอบๆแม้กระทำอาการแปลกๆมีประการต่างๆตลอดคืนยันรุ่งก็ไม่สามารถจะทำพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เคลื่อนจากที่ประทับนั่งแม้เพียงปลายเส้นผมสักเส้นองค์ก็นั่งที่ไม่ได้ฟังซ้ำนะมานั่งหมดแต่เข้าสมาบัตินัะนะ่นแหละทอะไรก็ทาไปนะองค์ก็เข้าพร ะ, ะสมาบัติฝ่ายโกรธก็โกรธไปนะัะน ก็ถ้าพูดแบบในหนึ่งอะนะก็เหมือนกับว่าใครที่เคยเลี้ยงลูกอะไรลูกเล็ ก, ลกๆอายุขวบสองขวบมันตีโวยวายจับโน่นถือเนี่นะแม่ก็นั่งเฉยลักษณะนั้นนะ่ะเนี่ยยิ่งทํามากเข้านะพระพุทธเจ้าก็ไม่อะไรเลยตัวเองก็เลยพลุ่งพลงด้วยอํานาจความโกรธอย่างเดียวว่าสมณะนี้ไม่บอกกล่าวเราเลยเข้าไปเข้าไปนั่งอย่างที่อยู่ของเรานะคือหาเรื่องมาทั้งคืนก็ยังไม่ได้เหตุอันสมควรอะนะเออได้ละคิดออกละ นี่เข้ามานั่งที่อยู่ของเราโดยไม่ได้รับเชื้อเชิญนะไม่มีใครอนุญาตเลยเนี่ยมานั่งที่อยู่ของเราเนี่ยโทษนี้ถึงทหารอยางนั้นนะแคนมากครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ทราบจิตจิตตประวติแปลว่าความเป็นไปของจิตของยักษ์นั้นก็เลยคิดว่าบุคคลต่อยตีที่จมูกสุนักดุสุนักดุเนี่ยนะเมื่อเป็นอย่างนี้สุนัขนั้นอ่ะพึงเป็นสัตวดุเกินประมาณยิ่งขึ้น แม้ฉันใดยักษ์นี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อเรานั่งในที่นี้ก็จะกริ้วโกรธในถ้าทั้งคืนนั่งต่อไปนี่มันจะโกรธมากกั น, นี้ะนะฉนไหนเนะเราพึงออกไปข้างนอกเสียแล้วพระองค์ก็เสด็จออกจากที่อยู่ประทรับนั่งนะโอกาสกลางแจ้งเนี่ยนะกลางแจ้งก็งไปยืนอยู่กลางแจ้งทีนี้สมัยนั้นเนี่ยนะพระองค์ประทรับอยู่กลางแจ้งแห่งความมืดของราตรี ความมืดนี้ถือว่าเป็นความมืดที่ประกอบด้วยองค์สีแม้แต่จากขูวิญญาณก็ไม่เกิดจากขูวิญญาณของคนทั่วไปไม่เกิดแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เนี่ยแท้ตาเนื้อพระองค์ก็ไม่มีอะไรปิดบังได้ความมืดประกอบไปด้วยองค์สีนี่มืดเป็นยังไงก็คือมันต้องเป็นสิบห้าค่ำเดือนขาดเนี่ยนะสิบห้าค่ำเดือนขาดเที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้วก็อักอะไรนะเม็ด เมฆปกคลุมครึ ม, รมแล้วก็ต้องกลางป่าทึบเนี่ยนะฮะองเราเนี่ยจะทำให้รู้ว่ามืดจริงๆแล้วก็ยักษ์นี่ก็ทำให้เมฆฝนเนี่ยตกมาเป็นเม็ดเม็ดตกลงยักษ์ก็เลยคิดว่าเราจะทำให้สัมมณะนี่หวาดเสียวด้วยเสียงนี้แล้วให้หนีไปให้ได้ก็ไปยังที่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าทำเสียงน่ากลัวว่าอากุละอกุละเนี่ยนะเป็นต้นก็ทาให้พระพุทธเจ้ากลัวนะ เพื่อให้พยังเกิดความสะดุ้งกลัวแห่งจิตชัมพิตตตังก็คือภาวะที่สรีระหวาดเสียวมีอาการขาแข็งโลมาหังสังขนลุกชูชันนะนะทำยังไงก็ตรงกันข้ามหมดเลยทีนี้คำถามว่าเพราะเหตุไรา ย, ยักนี้มีความประสงค์อย่างนี้เข้าไปหาได้กระทำอาการแปลกที่ตนทำไว้ในการก่อนไม่ใช่หรือตอว่าได้กระทาอย่างนั้นก็จรงิงแต่ยักนั้นสาคัญว่าเราไม่อาจทาอะไรอะไรแก่พระสมณะ ผู้ประทับอยู่ในภายที่อยู่ที่ปลอดภยัยในพื้นที่อันมั่นคงคือเขาถือมีมานะมากว่าถ้าใครนั่งอยู่ที่อยู่ของเขาจะไม่กลัวอะไรสักอย่างเขาถือว่าที่พระพุทธเจ้าไม่กลัวเขาเนี่ยเพราะได้นั่งที่อยู่ที่ที่มั่นคงเพราะฉะนั้นบัตรนี้เราอาจให้สมณะไปอยู่ภายนอกหวาดเสียวอย่างนี้แล้วก็หนีไปจึงเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคความจริงยักษ์นี้สําคัญที่อยู่ของตนว่ามั่นคงและสําคัญว่าพระสมณะนี้ไม่กลัวเพราะอยู่ในที่อยู่ของตน มานะมากถึงขนาดว่าคแม่ที่อยู่ของเราพิเศษมากเลยนะใครไปนั่งเนี่ยผีหลอกก็ไม่กลัวอย่างนั้นนะที่ไหนได้คนไม่มีกิเลสอ่ะนะ <c oughs> ยักษ์นั้นได้ทําเสียงเห็นป่านี้ว่าอักกุโลปักุโลสามครั้งเพื่อประสงค์จะให้พระพุทธเจ้าหวาดเสียวคราวนั้นยักษ์นั้นเนี่ยเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนผู้วิเศษยกเขาสินรุ่นนะ คือคือสร้างเรื่องที่เรียกว่าน่ากลัวที่สุดที่บรรดามีอยู่เนี่ยนะเหมือนพลิกแผ่นดินใหญ่ทําเสียงกระหึ่มเหมือนเสียงอัศนีบาทคือฟ้าผ่าตั้งร้อยฟาดลงมาด้วยอุตสาหะใหญ่เหมือนเสียงกระหึ่มของช้างประจําทิศซึ่งรวมกันเป็นฝูงอยู่ในที่เดียวกันแล้วเปล่งออกแสดงว่าเสียงดังจริงๆเลยนะเหมือนบรรลือสีหนาของไกรสอนราชสีเหมือนเสียงหึงห่งๆของพวกยักษ์เหมือนเสียงดังของพูดผี เหมือนเสียงปรบมือของพวกอสูรเหมือนเสียงกึกก้องแห่งวัชระคือวัชระหมายถึงอาวุธประดุดเพชรทีจท่จอมเทวราชคือพระ อ, อินทบาทลงมาเหมือนเสียงกึกก้องของกลุ่มพายุใหญ่อันตั้งอยู่ตลอดกับประหนึ่งการกดขี่และครอบครองเสียงอื่นๆเพราะเป็นเสียงลึกล้ำกว้างขวางและทำความน่ากลัวให้แก่ตนและเหมือนเสียงกึกก้องอันเป็นภายเฉพาะหน้าใหญ่หลวง ดุดพาดวงะไทยของเหล่าปุถุชนปกตินี่ถ้าเป็นเราๆท่านๆทัท้ทงหลายได้ยินนี่คงใจกลัวอกใจอกหัวใจวายตายไปแล้วนะเพราะเสียงที่เปล่งออกด้วยคิดว่าเราจะให้สมณะนี้หวาดเสียวด้วยเสียงนี้แล้วหนีไปภูเขาก็แตกเป็นสะเก็ดหินก็ร่วงลงมาใบไม้ผลไม้และดอกไม้ในพุ่มเครือเถาทั้งหมดที่เกาะอยู่ตามต้นไม้เจ้าป่าก็อับเฉาลง เสียงดังถึงขนาดว่าต้นไม้เฉาเลยนะคุนเขาหิมะวันกว้างสามพันยอดก็ไหววันไหวลือลั่นไปโดยมากแม้พวกเทวดาตั้งต้นแต่ภูมมะเทวดาก็มีความกลัวที่เรียกว่าเทวดาด้วยกันยังกลัวเสียงเลยนะหวาดเสียวและขนลุกชูชันด้วยกันทั้งนั้นจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงพวกมนุษย์และสัตว์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่มีเท้าสองเท้าสัตว์สี่เท้าความหวาดเสียวมากได้เป็นเหมือนคราวแผ่นดินใหญ่สุด ความโกลาลหนมากมายได้เกิดขึ้นนะพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้นส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงสำคัญเสียงนั้นว่าเป็นอะไรทรงประทับนิ่งและขณะเดียวกันพระองค์ก็อธิษฐา น, นนะด้วยพุทธานุภาพว่าอันตรายอย่าได้มีแก่ใครๆเลยถ้าพระองค์ไม่อธิษฐานไว้สงสัยเดือดร้อนไปเยอะแหละเพราะฉะนั้นเสียงนั้น่ะปกติก็เลยได้ยินในโสตถวารของสัตว์ทั้งหลายอักุละักุละเท่านั้นแหละ ทีนีม้มาดูในหน้าหนึ่งร้อยเก้าย่อหน้ากลางๆบอกว่ายักษ์เนรมินรูปหน้ากลัวใหญ่โตยืนอยู่ตรงพระภาคของพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวหมายถึงตนว่าสมณะผู้เจริญปีศาจผู้มักกินเนื้อปรากฏแกท่านแล้วนะ <c oughs> ท่านจะโดนกินเนื้อหรือเปล่าเนี่ยนะเขากินแพะเป็นมัดๆเลยนะ เอตมัตถังวิธิตวาความว่าพระองค์ก็รู้อาการแปลกนี้ที่ยักษ์นั้นให้เป็นไปทางกายและวาจารู้นะรู้ทุกอย่างเลยกิริยาอาการของยักษ์ที่แสดงออกเนี่ยนะขณะเดียวกันพระองค์ก็รู้ความที่พระองค์เนี่ยหมดอุปกิเลเในโล ก, กธรรมอันเป็นเหตุแห่งอาการที่ยักษ์นั้นข่มขู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงพระองค์รู้ว่าพระองค์นั้นน่ะไม่มีใครทาให้วันไวได้หรอกเพราะพระองค์เป็นผู้ ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งแปดเนี่ยนะเพราะจิตของพระอรหันต์นี่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งแปดเพราะฉะนั้นยักษ์จะแสดงอาการที่กิ้วกราดขนาดไหนท่านก็ไม่หวั่นไหวอะไรพอพระองค์รู้รู้กิริยาของยักษ์แล้วก็รู้ความที่พระองค์เนี่ยหมดกิเลสแล้วพระองค์ก็อุทานอิมังอุทานนางอุทานเ น, นสิวก็คือไม่คํานึงถึงอาการแปลกนั้นนะไม่สนใจแล้วว่ายักษ์จะทํำยังไงพระองค์ก็เปล่งอุทานอันแสดงธรรมานุภาพ มีการไม่คํานึงถึงอาการแปลกนั้นเป็นเหตุเพรน่าคิดนะพระธรรมที่พระองค์แสดงว่าในการใดบุคคลเป็นผู้ถึงฝั่งในธรรมทั้งหลายของตนเนี่ยนะถึงฝั่งในธรรมทั้งหลายของตนเนี่ยทีว่ยายะถาสเกสุธรรมเมสุได้แก่ธรรมคืออุปาทานขันห้ากล่าวคืออัตภาพของตนในการใดปารคูเนี่ยนะถึงฝั่งคือขันห้าของตัวเองนี่เป็นยังไง ปาระคูนี่โดยสับแปลว่าผู้ถึงฝั่งความว่าพูดถึงฝั่งถึงฝั่งนะด้วยความบริบูรณ์แห่งปริญญาพิสมัยอภิสมัยนี่แปลว่าการตรัสรู้ตรัสรู้ด้วยปริญญาต่อแต่นั้นนั่นแหละพูดถึงฝั่งด้วยความบริบูรณ์แห่งภาวนาพิสมัยตรัสรู้ด้วยการละสัจฉิกิริยาพิสมัยตรัสรู้ด้วยการทําให้แจ้งภาวนาพิสมัยตรัสรู้ด้วยการเจริญ ตรัสรู้ด้วยการละแห่งทุกขสัจจะขอไปตรัสรู้ด้วยการละเนี่ยนะปะหานาพิสมัยในสมุทยัยสัจอันเป็นเหตุแห่งอุปาทานขันเหล่านั้นสัจฉิ ก, กิริยาพิสมัยในนิโรธอันมีลักษณะไม่เป็นไปตามสมุทัยนั้นคืออภปะตะแล้วก็ภาวนาพิสมัยในนิโรธคามินีปฏิปทาก็คือทุกขาริยสัจตรัรสรู้ด้วยปริญญาพิสมัยสมุทยัยสัจตรัรสรู้ด้วยปหานาพิสมัย นโรสัจจะตรัสรู้ด้วยสัจฉิกิริยาพิสมัยมัคสัจจะตรัตรสรู้ด้วยภาวนาพิสมัยนี่แหละเขาเรียกว่าพูดถึงฝั่งพูดถึงฝั่งในธรรมะทั้งหลายของตนพูดถึงฝั่งแห่งธรรมของตนก็คือรู้เลยนะเช่นเอาอุปาทานขันห้าภายในนี่แหละคือทุกขสัจจะตัณหาในก่อนที่เป็นเหตุให้เกิดอุปาทานขันห้าอันนี้เรียกว่าสมุทยัยสัจ ความไม่เป็นไปแห่งขันห้าและกิเลส ท, ทั้งหลายเป็นนิโรสัจจะข้อปฏิบัติที่ทําให้แจ้งนิโรธอันนั้นเป็นมัคสัจจะพันพระองค์ก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ด้วยปริญญาพิสมัยด้วยหาวนาพิสมัยสัจจิกริย า, าพิสมั ย, ย, มยและภาวนาพิสมัยมันพูดถึงฝั่งจริงๆก็คือถึงฝั่งด้วยการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะมันก็เวลาทําบุญยังไงยังไงก็อย่าพลาดไปปรารถนาเรื่องอื่นเข้าละ น, นะพลาดอย่างอื่นก็ตอนท้ายก็อริยสัจอีกอยู่ดีนะให้มันรู้ที่จบ น, นะว่าจบต้องบรรลุอริยสัจนะบรรลุอริยสัจแล้วบรรลุว่าอย่างไรบรรลุว่าปริญญาปหา a n a สัจจิริยาและภาวนาบทว่าโหติบ ร, รมโ น, น, นคนที่ ท, ทากิจดังกล่าวไปเนี่ยชื่อว่าเป็นพรามเพราะเป็นผู้ลอยบาปโดยประการทั้งปวง ความจริงการตรัสรู้สัจจะ4ี่ย่อมมีแม้ด้วยการอย่างรู้อัตภาพของตนโดยประการทั้งปวงสมจริงดังคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวไว้ในโ ล, โลกสูตรเนี่ยนะโลกสูตรอังคุตระนิกายจตุกามีบาทว่าเราบัญญัติโลกโลกกับสมูไทยคือความเกิดขึ้นของโลกนะโลกโลกสมูไทยโลกนี่โลดโลกนีโรธคา ม, มินีปฏิ ป, ท, ปทาลงในร่างกายนี่แหละที่มีความยาวประมาณวาหนึ่ง ว่าของตัวนะพร้อมด้วยสัญญาและใจเพราะฉนั้นก็ถือเอาร่างกายนี่แหละเป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะเอาร่างกายนี่แหละอุปาทานขันหะในภายในนี่แหละคือทุกข์สัตว์ตัญหาแต่ก่อนเป็นต้นที่ทําให้กายเหล่านี้เกิดเป็นสมุทัยสัตว์พันการประกาศอริยสัตว์เนี่ยไม่ใช่ประกาศไว้ที่ต้นไม้ใบหญ้าแต่ประกาศในกายที่ยาววาหนาคืบกว้างศอกมีสัญญาและใจครองนี่แหละว่าประกาศอริยสัตว์เนี่ยนะพันอริยสัตว์นี้ไปนค้นหาที่ไหน ไปหาอริยสัตว์ไปหาที่ไหนนะที่นีเเ่เยอะแยะเลยทุกขสัตว์เยอะแยะเลยสมุทัยสัตว์ไม่น้อยกําลังเจริญมรรคสัต์อยู่เนาะสักวันหนึ่งเทอะว่างั้นอีกอย่างหนึ่งสเกสุธรรมเมสุเนี่ยนะในธรรมของตนนะโดยศัพแปลว่าในธรรมของตนได้แก่ชื่อว่าธรรมของตนธรรมของตนนี่คืออะไรอะไรที่มันเป็นของของตนเลยนะ คิดง่ายๆว่าสิ่งใดที่เป็นของตนสิ่งนั้นต้องให้ความสุขแก่ตนสิ่งนั้นต้องให้ความสบายแก่ตนจึงพูดได้เต็มปากเต็คมคําว่าสิ่งนั้นของตนอย่างสมมุติอะถ้าลูกไหน ing, สร้างแต่ปัญหาให้เดือดร้อนใจตลอดการอยากบอกว่าไปที่ไหนโฆษณาวันนี้ลูกชั้นนี้ลูกฉั น, ving, ฉน lines, อยากพูดอย่างนั้นไหมไม่ น, น, นะตรงอะไรที่มันมีปัญหาอยากพูดไหมว่าของเราไม่อยากพูดแต่อะไรถ้ามันดีๆ แ, แจ๋วๆของเราใช่ของเราของเร า, เราชั้นใดก็ดีความโกรธเราอยากบอกไหมว่าของเรา ไม่ก็เลยไม่เป็นของเราเพราะศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนั่นแหละเป็นเป็นของบุคคลผู้รักตนใครที่รักตัวเองแล้วทูศีลเนี่ยนะคนนั้นอะ่ะจรู้ไว้ศัตรูตัวเองนะั่นแหะแต่ใครที่บอกว่าเกลียดตัวเองแต่รักษาศีลเป็นตน้นคนนั้นอะ่ะรักตัวมากนะนีน่จริงอยู่ทานธรรมมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศ น, น, นะเป็นต้นชื่อว่าธรรมะของคน คือของตนของเราแท้ๆเลยนะสมบัติเฉพาะตัวเราจริงๆอนะ่ะเนาะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสมบัติของเราจริงๆอ่ะนะฝากใครได้ไหมเอาเล่าให้คนอื่นฟังได้ไหมได้เนาะทำไมศีลสมาธิปัญญาวิมุตเป็นต้นเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นของตนเพราะยังหิตะสุขะให้สมบูรณ์โดยส่วนเดียว ไม่เป็นธรรมะของคนอื่นเหมือนสังกิเลสิ ก, กะธรรมอันนำความพินาศมาให้หิตะนี่แปลว่าฮิตะหิตะเกื้อกูลเกื้อกูลให้แก่เราทุกอย่างเลยคำว่าเกื้อกูลนี้เป็นชื่อของอริยมรรคสุขะเป็นชื่อของอริยผลผู้ใดปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญายังอริยมรรคอริยผลให้เกิดแก่ตัวเองโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นอย่างพระพุทธเจ้าบรรลุแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสัตว์อื่นเลยใช่ไหม ก็เป็นความสุขเฉพาะตัวของพระองค์ไปพวกแมลงพวกยักษ์ทั้งหลายก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระองค์เพราะถือว่าเป็นสมบัติของพระองค์เป็นสมบัติของพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่เหมือนกับพวกสังกิเลสิกะใช่ไหมสังกิเลสิกะธรรมนี่เป็นชื่อของอะไรสังกิเลสคือทุจริตสังกิเลสคือตัณหาสังกิเลสคือทิฏฐิสามอย่างนี้เรียกว่าสังกิเลสิกะธรรมธรรมที่ทําให้เกิดความเศร้าหมองทุหนึ่งทุจริตสองตัณหาสามทิฏฐิ สอย่างนี้เขาเรียกว่าสังกิเลสิกะธรรมธรรมที่ยังธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนํามาซึ่งความเศร้าหมองสิ่งเหล่านี้นําความพินาศมาให้แก่ตนโดยส่วนเดียวถ้าทําทุจริตด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะพินาศขนาดไหนพินาศแม้กระทั่งว่ามนุษย์อย่างรักษาอะไรนะรักษาพบคือมนุษย์ไม่ได้เนี่ยนะตกไปถึงอบายเป็นต้นถ้าหากว่าสังกิเลสคือตัณหาก็ทําให้ตกไปในวัตตาเป็นต้นเพราะฉะนั้น ไอ้สังกิเลสคือทูจริญตัณหาและทิฐิเนี่ยนำความพินาศมาให้แก่ตัวโดยส่วนเดียวเพราะไอ้กิเลสทั้งหลายเหล่านี้จึงไม่เรียกว่าเป็นของตนใช่ไหมซึ่งต่างจากศีลสมาธิปัญญานํามาซึ่งความสุขแก่ตนกิเลสทั้งหลายเนี่ยนำมาซึ่งความเดือดร้อนให้แก่ตนก็เลยไม่เรียกว่าของตนบทว่าปารครูปารครูนี่แปลว่าถึงฝั่งปาระเนี่ยแปลว่าฝั่ง ถึงฝั่งคือที่สุดแห่งความบริบูรณ์แห่งธรรมมีศีลเป็นต้นก็เรียกนะ ว, ว่าถึงจุดสูงสุดแล้ว น, นะจุดสูงสุดของชีวิตจริงๆก็คือศีล น, น, นะศีล ส, สมาธิปัญญานั่นแหละที่เรียกว่าสูงสุดศีล น, นี้ก็มีอยู่สองอย่างคือโลกิยะศีลกับโลกุตระศีลโลกิยะศีลเป็นเบื้องต้นโลกิยะศีลเบื้องต้นนั้นโดยย่อมีสประการเรียกว่าจตุปาริสุทธิศีล ปาติโมฆสังวนอินรีย์สังเวนโพชเนมอ่านๆะนะข้โทษว่าไปเรื่อยนะทำไมาปาติโมฆสังเวนอินทรีย์สังเวนปัจจยาสานิสิตาสินและอาชีวะปาลิสุทธิสินเนี่ยเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์แห่งศินสี่ประการนี้เบื้องต้นนะถือว่าศีลเนี่ยสินที่โลกิยาสินที่เป็นเบื้องต้นนี่แหละเรียกว่าศีลวิสุทธิใช่ไหมสีลวิสุทธิเป็นบาตแห่งจิตตาวิสุทธิ จิตวิสุทธิเป็นบาทแห่งทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นบาทแห่งกังขาวิตรณวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นบาทแห่งมคามคะยานัทสนวิสุทธิมคามขะยาณทัทสนวิสุทธิเป็นบาทแห่งปฏิปทายานัทสนวิสุทธิปฏิปทายานทัทสนวิสุทธิเป็นบาทแห่งยาณทัทสนวิสุทธิวัณสีนโลกียาสีนี่ถือว่าเบื้องต้นเริ่มต้นที่สุดเนี่ยนะในการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ก็อยู่ที่ ศีโลกิยะศีลที่เป็นเบื้องต้นส่วนโลกุตระสีนเนี่ยนะที่เป็นเบื้องปลายมีอยู่สองประการคือศีลในมัคจิตกับศีลในผลจิตสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะที่เกิดร่วมกับอริยมรรคที่เกิดร่วมกับอริยผลก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะนั่นเองเพผลสีนมีสองอย่างนะสีลตอนเริ่มต้นกับศีลตอนปลาย ถามว่าศีลไหนหน่ารักษากว่ากันสองอย่างเนี่ยนะศีลเบื้องต้นนี่สำคัญที่สุดเพราะถ้าศีลเบื้องต้นไม่เกิดศีลเบื้องปลายมีไม่ได้เนี่ยนะพันจ้าต้องเจริญสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะให้เต็มเปี่ยมให้บริบูรณ์ให้เพียงพอแก่เป็นบาตรที่จะตรัสรู้นั่นแหละส่วนสมาธิก็มีสองอย่างปัญญาก็มีสองอย่างสมาธิก็โลกิยะสมาธิกับโลกุตระสมาธิ โลกิยสมาธิคือสมาบัตแ8พร้อมด้วยอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิปฐมฌานอุปจารสมาธิตุติยฌานอุปจารสมาธิตัตยฌานก็คือก่อนที่จะเข้าฌานนั้นๆต้องผ่านอุปจารสมาธิทั้งหมดเลยก็เลยใช้รวบทีเดียวว่าสมาบัตแ8และอุปจารสมาธิส่วนโลกุตระสมาธิก็คือสมาธิในองค์มัตสัมมาสติสัมมาสมาธิสมาวายมะนะแต่เน้นพิเศษที่สัมมา สมาธิเพราะว่าสมาสมาธิอาศัยสัมมาวายามะอาศัยสัมมาสติเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้ฝ่ายปัญญาปัญญานี้ก็แบ่งออกเป็นปัญญาที่เป็นโลกิยะและโลกุตระโลกิยะปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการฟังสุตตมยะปัญญาจินตามยะปัญญาและภาวนามยะปัญญาที่ยังมีอาสวะแปลว่า สุตตามยาปัญญาจินตามยาปัญญาภาวนามยาปัญญายังเป็นอารมณ์ของอาสวะอยู่คำว่าที่ยังมีอาสวะเนี่ยแปลว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะได้ไม่ใช่สุตามยาปัญญาเกิดร่วมกับอาสวะนะไม่ได้แปลว่าสัมปยุตตปัจจัยแต่แปลว่าอารัมมณะปัจจัยของอาสวะอยู่เพราะอาสวะนี่นะก็ยังยังมาเอาสุตามยาปัญญาเป็นที่ตั้งแห่งมานะเป็นต้นได้ใช่ไห พันเมื่อเอาสุตมิยปัญญาจินตามิยปัญญาภาวนาภาวนามยปัญญาเป็นอาหารของมานะเป็นต้นได้อย่างนี้แหละเรียกว่าปัญญาที่ยังมีอาสวะเนี่ยนะเรียกว่าสาสวะปัญญาเนี่ยนะสาสวะปัญญากับอนาสวะปัญญาคือสาสวะปัญญาแปลว่าปัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอนาสวะปัญญาก็คือปัญญาที่เป็นโลกุตระไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ นั่นเรียกว่าโลกุตระปัญญาหมายถึงปัญญาที่เกิดร่วมกับมรรคและผลปัญญาที่เกิดร่วมกับมรรคและผลต่อไปวิมุตติวิมุตติก็แบ่งเป็นผลวิมุตติและนิพพานผลวิมุตติก็คือในผลจิตและพระนิพพานเรียกว่าวิมุตติวิมุตติยานัศนะเป็นชื่อของโลกิยะอย่างเดียวเพราะเป็นชื่อของปัจเจกขณะยานปัจเจกขณะยาน ูถึงฝั่งคือที่สุดเพราะบริบูรณ์ด้วยธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิงเพราะบรรลุพระอาหารหันในสันดานของตนด้วยประการชนีเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าถึงฝั่งในธรรมะของตนถึงฝั่งจริงๆเลยก็คือบรรลุเป็นพระอาหารหันเนี่ยเรียกว่าถึงฝั่งจริงๆ อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าถึงฝั่งในศีลเพราะบรรลุโสดาปติผลจริงอยู่พระโสดาบันนั้นท่านเรียกว่าทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายโสดาบันนี่รวมไปถึงพระสกะทาคามีด้วยนะเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยนะเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์สมาธิพอประมาณและมีปัญญาพอประมาณผู้ถึงฝั่งในสมาธิก็คือบรรลุเป็นพระอนาคามี ความจริงอยู่อนาคามีนั้นท่านเรียกว่าผู้ทําให้บริบูรณ์ในสมาธิพระอนาคามีนี่มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิบริบูรณ์ ม, ม, รรรณมีปัญญาพอประมาณพระอรหันต์ล่ะผู้ถึงฝั่งในธรรมสามนอกนี้คือปัญญาวิมุตติวิมุตติยานัทสนะเนี่ยนะเพราะบรรลุอรหัตผลจริงอยู่พระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้ถึงฝั่งในปัญญาในวิมุตติและในวิมุตติยานัทสนะเพราะบรรลุเจโตวิมุตติ อันเป็นอกุปรธรรมอกุปรธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่กำเริบเป็นธรรมที่เลิศด้วยความด้วยความถึงความภัยบูนด้วยปัญญาเพราะถึงที่สุดแห่งปัจเวกขณะยานปัจเวกขณะยานที่19ก็เกิดขึ้นพิจารณาพระนิพพานที่แทงตลอดชื่อว่าพูดถึงฝั่งในธรรมของตนในการใดตามที่กล่าวแล้วเพราะสำเร็จกิจ16อย่างมีปริญญากิจเป็นต้นโดยมัก สในอริยสัจสีแม้โดยประการทั้งปวงด้วยประการชนี้ใช้ศัพ์อยู่สองบรรทัดเนี่ยนะแต่อมความเต็มเยอะแยะไปหมดเลยนะกิจ16ในมรรคสีในอริยสัจ4ี่พอเลยนะอมธรรมจักรไว้หมดเลยใช่ไหมอมธรรมจักรไว้หมดเลยคําว่ากิจ16โดยมรรคสี่และในอริยสัจสี่กิจ16ก็คิดง่ายๆว่ามรรคสี่ โซดาปฏิมกักก็ทำกิจแทงตลอดอริยสัจสี่สก่าทาคาเมมักก็ทำกิจแทงตลอดอริยสัจสี่อนาคาเมมักก็ทำกิจแทงตลอดอริยสัจสีอรหัตมักก็ทำกิจแทงตลอดอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นอริยมักสีแทงตลอดอริยสัจสี4สี่ 16, คูณสเท่ากับสิเรียกว่ากิจ16เพราะฉะนั้นพูดถึงฝั่งในธรรมของตนจริงๆก็คือทำรรกิจในอริยสัจสี่ด้วยอริยมักทั้ง4ี่มักเรียกว่าพูดถึงฝั่งในธรรมของ นะถึงฝั่งจริงๆเลยแหละส่วนบุคคลนอกนี้ก็เลาะไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจเลาะเลรียบๆไปเรื่อยๆไม่ได้ถึงฝั่งจริงๆใช่ไหมบทว่าโหติบรัมโนความว่าในการนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นพราหมณ์โดยปรมาตถ์เพราะเป็นผู้ลอยบาปประธรรมเสียได้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่ลอยบาปประรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยนะอาชกะชะ ก, ะะกะลาปกะ คั้นภายหลังจากถึงฝั่งที่กล่าวแล้วบุคคลเป็นผู้ร่วงก้าวล่ว ง, วงครอบงําไม่กลัวปีศาจที่มากินเนื้อที่ท่านแสดงแล้วนั่นแหละด้วยเสียงว่าอักกุระพกุล ะ, ละตั้งขึ้นให้เกิดความกลัวอุ้ยเป็นผ้ารหัารจะไปกลัวไรเสียงอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผีหลอกยังไงก็ไม่กลัวถ้าเป็นผ้าทหารใครกลัวผีนี่ต้องรีบปฏิบัติให้เป็นผ้าทหารจะได้เลิกกลัวสัทีหนึ่งคำถามแม้นี้ท่านก็กล่าวยกย่องผ้ารหัา์ตามเดิม ไอ้นี่สี่สูตรหลังมานี่เป็นสูตรว่าด้วยพระรหา์อย่างเดียวเลยนะสี่สูตรตั้งแต่อชาปาระนี่เอเออะไรนะอชาปาระนิโครธเนี่ยนะสูตรนั้นก็เป็นพระรหัา์สูตรต่อๆมาอีกก็สูตรว่าด้วยพระทหา์ทั้งหมดเลยครั้งนั้นอชากลาป ะ, ะยักษ์เห็นความคงที่นั้นเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงหวั่นไหวแม้ด้วยความน่ากลัวอันมีภัยเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเห็นปานนั้น อันตนกระทําแล้วก็มีจิตเลื่อมใสหลอกพระพุทธเจ้าเลยเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะถ้าสมณะนี้เป็นมนุษย์หน้าอัศจรรย์หนออย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นศัตรูกับบัณฑิตดีกว่ามีมิตรเป็นคนพันน่ยนะเป็นศัตรูรบกับพระพุทธเจ้าทั้งคืนเลยนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเลยนะเมื่อประกาศถึงศรัทธาอันเป็นของปุถุชนเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในตนคือเขาไม่ได้บรรลุเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศใ ห, ให้ได้บรรลุอะไรเพียงแต่ประกาศถึงความคงที่ของ พระองค์ก็เลยปฏิญาณตนว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะต่อเฉพาะพระพักพระศาสดางานนี้ไปดีแน่นะเพราะถึงสารณะแล้วตรงนี้บอกว่าศรัทธาอันเป็นของปุถุชนแสดงว่ายัางไม่ได้ไม่รู้นะวันนี้ไม่รู้บรรลุหรือ ย, อยังแต่ตอนนั้นนะตอนที่แสดงสูตรเนี่ยยังไม่ได้บรรลุอ๋ออีกเจ้าหนึ่งคนหนึ่พวกสาตาเครยักษ์พวก อาะวะะัคยาค่ะพวกนี้บรรลุหมดแต่ว่าอาชากราประกะยกษ์นี้ไม่แน่ใจแต่ตรงสูตรนี้ยังไม่ได้บรรลุแน่นอน